เราก็ต้องมีการกระทาที่ใหม่จากเก่าถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีกว่าเก่าเราก็ต้องมีการกระทาที่ดีกว่าเก่าเพราะการกระทานี้เป็นเหตุที่จะทำให้มีผลดีต่างๆหรือผลไม่ดีต่างๆตามมาขึ้นอยู่ที่การกระทาของเราไม่ได้อยู่กับใครทั้งนั้น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 กรรมนี้ก็มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีก็เรียกว่าบุญกุศลกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปอากุศลถ้าทำกรรมดีทำบุญผลดีก็จะตามมาคือความสุขความเจริญของจิตใจถ้าทำบาปทำไม่ดีผลไม่ดี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 เราก็ต้องหมั่นทำบุญให้มีมากขึ้นหมั่นละบาปให้มากขึ้นและหมั่นชำระใจให้มากขึ้นเพราะนี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญไม่มีทางอื่นไม่มีใครที่จะมาเสกมาเป่าให้เราได้รับความสุขความเจริญแม้แต่พระพุทธเจ้า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 มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการดิโก้นั่นเองคือไม่มีวันหมดสภาพความไม่หมดสมรรถภาพประสิทธิภาพผู้ที่น้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติย่อมได้ผลทุกคนไม่ว่าจะปอยู่ในยุคใดสมัยใด อยู่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าก็บรรลุมากผลนิพพานได้อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ยุคนี้ก็บรรลุมากผลนิพพานได้เพราะว่าความจริงนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสัจธรรมความจริงที่ทำให้สัตว์โลกได้หุดพ้นจากความหลงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จริงอย่างไรในสมัยพระพุทธการก็จริงอย่างนั้นในสมัยนี้เช่นควาว่าอาริยสัจสี่นี่จริงในสมัยพระพุทธการก็ยังจริงอยู่ในสมัยนี้คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากสมุ ท, ทยัยสมสมุทัยคืออะไร ก, ก็คือต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของความทุกข์มีอะไรบ้างก็มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงเิ่งนสดอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าผู้ใดมี ปัญหาเหล่านี้อยู่ภายในใจผู้นั้นก็จะต้องพบกับความทุกข์ความทุกข์ก็มีตั้งแต่ขั้นเริ่มเริ่มเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาก็าจะอยู่ไม่เป็นปกติสุขเช่นคนอยากจะดื่มสุราคนอยากจะสูบบุรีคนอยากจะไปเที่ยวพอเกิดความอยากแล้ว ให้อยู่เฉยๆก็จะไม่มีความสุขจะทนอยู่ไม่ได้จะต้องเลนไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วถ้าหาไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาม่กรุนแรงขึ้นกว่าเก่าถ้าได้ก็ระงับความทุกข์ความหงุดหงิดไว้ชั่วคราวแล้วต่อไปไม่นานความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีก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 ถ, ถ้าแสดงให้กับนักบวชท่านก็ทรงแสดงมักที่มีองค์แปดเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรไปจนถึงสัมมาสมาธิถ้าแสดงให้กับขารวะผู้ครองเรือนก็แสดงเป็นทานศีลภาวนาซึ่งเป็นมรรคเหมือนกันรายละเอียดก็ เหมือนกันมีเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งก็คือฐานทานนี้ที่ ต, ต้องสอนให้กับคารวาสก็เพราะว่าคารวาสยังมีของมากมายที่จะถ่วงความเจริญของมรคนั่นเองถ้ายังไม่ให้ฐานยังไม่สละของต่างๆที่คอยเหนี่ยวรั้งไม่ให้ได้ออกไปเจริญมร์องค์อื่นเช่นสมาธิปัญญา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 การเจริญมักที่จะเอาไปทำลายความอยากต่างๆดังนั้นมักสำหรับคาระวะก็เลยต้องเป็นทานศีลภาวนาภาวนานี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนคือสมาธิและปัญญาสมถะ ภ, ภาวนาก็เรียกว่าสมาธิ <c oughs> วิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าปัญญาสรุปแล้วก็คือมักแป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 ที่จะสามารถทำลายความอยากทั้งสามที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเรายังเป็นขาวา่เรายังเป็นผู้ครองเรือนยังมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่เราก็ต้องหาวิธีจัดการกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเหล่านี้เพื่อไม่ให้เขามาเป็นภาระ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 ถ้าไม่มีความคิดตรุงแต่งความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะความอยากนี้จะต้องมีความคิดตรุงแต่งเป็นเคร attorney, ื่องมือนั culo, ่นเองถ้ า, มาไม่คิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ว่าจะอยากกับอะไรแต่พอคิดถึงเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากกับเรื่องของคนนั่นเรื่องของคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทันที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 ความอยากภายในใจก็ยังไม่หดไม่หายไปไหนความทุกข์ภายในใจก็ยังไม่หายไปไหนนี่คือการกระทาที่ไร้ประโยชน์สาหรับจิตใจถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทาที่มีความเมตตากรุณาก็ตามสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จงานของตนยังไม่ได้กำจัดความอยากต่างๆทั้งหลายภายในใจให้หมดไป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 สมาธิไปเจริญปัญญาขอให้เราอย่าลืมงานของเรางานของเราก็คือการเจริญมรคนี้เองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามรคนี้ต้องเจริญให้มากแต่าคตได้เจริญแล้วใ น, ในอริยสัจสี่นี้มีกิตที่พึงกระทําอยู่สี่ข้อด้วยกันทุกทรงให้กําหนดรู้ก็คือให้ศึกษา ให้รู้ว่าทุกนิมม์มันอยู่ตรงไหนทุกก็อยู่ที่การเกิดอยู่ที่การแก่การเจ็บการตายอยู่ที่การพักผ้าจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองจากสิ่งต่างๆที่เรารักไปถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็อยากเกิดถ้าเราไม่เกิดเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย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 ตถาคตได้กำหนดดูแล้วได้ศึกษาแล้วแล้วก็ทรงพิจณางานชิ้นที่สองว่าต้นเหตุของความทุกข์นี้มาจากอะไรการมาเกิดนี้เกิดจากอะไรก็ทรงพิจาณาเห็นว่าก็เกิดจากปัญหาทั้งสามนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทำให้เราอยากมีละตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>ก็ต้องมีร่างกาย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 ของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าไม่กําจัดความอยากมันก็จะดิ้นไปหาร่างกายดิ่นไปเกิดพอเกิดแล้วก็ดิ่นไปหาราบยศสารเรสลรรดลื่นไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะพอได้ราบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะมันก็ดิ้นอยู่กับการรักษาปกป้องรักษาไว้แต่มันก็ สู้ความจริงไม่ได้ความจริงก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงอนานันตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้นี่คือปัญหาที่ต้องละตระคดได้ละแล้วนี่คือกิจที่ผู้ที่จ่ำการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องทากิกข้อที่สามก็คือมิโรด คือการสิ้นสุดของความทุกข์ต้องทําให้แจ้งต้องทําให้ปรากฏขึ้นมาการจะทําทให้นิโรธปรากฏให้แจ้งขึ้นมาก็ต้องละตันหาทั้งสามนี้และการที่จะละตันหาทั้งสามนี้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือมรที่มีองคศาหรือทานศีลภาวนานี้เองถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ก็จะไม่สามารถที่จะละได้ เช่นถ้าเราอยากจะไปตกปลาถ้าเราไม่มีเบ็ดเราก็จะไม่สามารถตกปลาได้เอามือไปจับปลาจับไปจนวันตายก็จับไม่ได้สักตัวหนึ่งเราต้องมีเครื่องมือถ้าเราต้องการละตันหาคือสมุทัยที่ต้นเหตุของความทุกข์ใจเราก็ต้องมีมรรคที่มีองค์แปดหรือมีทานศีลภาวนา ดังนั้นงานของเราจึงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ทานศีลภาวนาและอยู่ที่การทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดทำบุญก็ทานละบาปก็ศีลภาวนาก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทนี่แหละถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมมีความทุก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 ก็เพิ่มขึ้นเป็นสามวันสี่วันทำทานถ้าทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ทำเพิ่มเป็นสามสี่ครั้งหรือสี่ห้าครั้งหรือถ้าจะมองในสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่ก็ได้เช่นตอนนี้เราทำทานร้อยละสิบล้วก็เป็นเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบเรารักษาศีลได้ร้อยละสิบของเวลาที่เราเตื่นเราก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบ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 การเหนี่ยวร่างของกิเลสมาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าต้องการที่จะหลุดออกจากการเหนี่ยวร่างของกิเลสนี้เราจึงต้องตั้งเป้าเอาไว้การตั้งเป้านี้ก็คือการอธิษฐานนี้เองการอธิษฐานในทางธรรมนี้ไม่ได้แปลว่าการขอไม่ได้ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ได้บรรลุมรรคผลผนิพพาน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 เย็นปีที่แล้วทาทานร้อยละสิบก็จะเพิ่มเป็นร้อยละยี่สิบรักษาศีลได้ร้อยละสิบก็จะเพิ่มเป็นร้อยะยี่สิบภาวนาได้ร้อยละสิบก็เพิ่มเป็นร้อยะยี่สิบนี่คือการตั้งเป้ากำหนดขอบเขตของการบาเพ็ญของเราเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องมีความจริงใจจริงจังกับการตั้งเป้าไม่ใช่ตั้งไปก็โก้ go, go, go. พอถึงเวลาก็ร้อยละสิบเหมือนเดิมทานก็ยังร้อยละสิบหรือดีไม่ดีลดเรือร้อยละห้าถ้าอย่างนี้ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเราตั้งแล้วก็เหมือนกับเราให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองหรือให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้อื่นถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจเราก็จะโลเลเราก็จะเบี้ยวแล้วเราก็จะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำ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 เหตุที่ทําให้เกิดผลขึ้นมาตั้งก็อยากไปเฉยๆก็ไม่ได้อะไรมันก็จะได้แบบตามบุญตามกรรมไปถ้าเป็นวาลัของบุญเก่าที่เราทําไว้เราก็อาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเดิมเอแต่ถ้าเป็นวาละของกรรมของบาปส่งผลมันก็จะให้เราได้รับสิ่งที่เลวกว่าเดิมก็ได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะ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 ถ้าอาหลานตัสสาวงทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็ใช้สีสมาธิปัญญานี้มาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจของท่านพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราถ้ามีสีมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถทำลายกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วนิโรจก็จะปรากฏขึ้นมา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 สิ่งต่างๆในโลกนี้มาเป็นวิธีสร้างความสุขระดับความทุกข์ให้กับพวกเราเราก็จะไม่ประสบความสาเร็จแทนที่ความสุขจะมากขึ้นความสุขกลับน้อยลงไปแทนที่ความทุกข์จะน้อยลงไปกลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มายินได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะทุกข์อยู่กับการ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 พวกเราทุกคนแสวงหาความสุขความเจริญหาพรจากพระกันแต่พรที่เราได้รับนั้นไม่ได้เป็นพรที่แท้จริงเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเช่นเวลาพระสวดอายุวันโนสุขขังพลังเนี่ยก็เพียงแต่ท่านบอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายมีเจริญด้วยอายุวันนะสุ ข, ขพะพละเท่านั้นเองแต่ท่านจะเจริญหรือไม่เจริญนี่เราไม่เกี่ยว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 เมืย อ, อยู่ที่การทำบุญละบาปทำระใจของเหล่านี้เองดังนั้นขอให้เราตั้งเป้าไว้ตรงนี้ว่าปีนี้จะปฏิบัติให้เพิ่มให้มากขึ้นทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นถ้าทาได้เต็มร้อยก็รับรองได้ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของชีวิตนี้ของชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้ก็คิดว่าเวลาแสดงก็เห็นว่าพอสมควร ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตชินังเปตางังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปวะวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิษะนิจจังวุทฒาปจายโนจตารโอธมรมวาธานติ อายุวันโนสุขังภาลังต่างาาเข้ามาได้มีอะไรเลยเข้ามาได้ไหนเลยครับมีอะไรหรือเปล่าอ๋ออ๋อคิดว่าจะมาเอาหนังสือหรือมาถามปัญหาอะไรเออ ถามได้ถ้าอยากจะถามปัญหาวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยแล้วก็ถามเยเมอะมาสามวันแล้วครับไ ม, ไไมก่ก็ต้องฟังบ่อยๆแล้าฟังบ่อยๆแล้วมันก็จะเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ ยาใจรุนุกวมนนทใจมากมากขอบคุณว่าต้ออทีานอมันว่าีไปเ่ย้มัเป็นบาะไปก็พระพุทธเจ้าก็หนีไปเมนบาปตรงไหนนี่กิเหลมมันจะหลอกว่าเราเป็นบาปพอไปเที่ยวนี่ไม่ไม่บาปพอนี้ไปเที่ยวไม่บาปพอนี้ไปภาวนาบาปขึ้นมาทันทีมันจะเป็นยังไงกันเน่ะ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 แต่กิเลยมันไม่ให้เราคิดอย่างนั้นเวลาเราไปเที่ยวนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราไปทท้อดทิ้งรข่ไว้แต่เวลาเราไปภาวนาสักสามวันเจ็ดวันนี่เหมือนกันเราไปทอดทิ้งเขาไว้ใจมันยังรู้ลวงเหมือนจะเป็นชุกเจบมันจิดมันยังคิดอยู่ด้วยกต้องต้องพิจารณาเทวทุตสี่อยู่บ่อยๆความแก่ความเจ็บความตาย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 กีรพุญโยหลวงปู่ฟอมนี่ท่านเป็นคนอุดรธานีตามประวัติที่หลวงตาเขียนไว้ในปฏิปทธ า, านะครับอ่ า, าอ่ย า, าไไยังไม่ช้าเหรอยังมีลมหายใจอยู่นี้แต่ยังไม่ช้า <c oughs> ถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่นั่นแหละหนี่เราสายไปใช่ไหมอ่าอ่า เราอย่าประมาทตัวเราบารมีของเราอาจจะถูกซ่อนไวถูกกิเลสกดไว้ก็ได้พอเราเตะกิเลสตัวนี้ออกไปบาร ม, มีของเรามันก็โผล่ขึ้นมาทันทีก็ได้ <c oughs> ขอให้พวกเราพยายามตัดภลระต่างๆที่มันคอยดึงคอยเหนี่ยวรั้งเราไว <c oughs> ให้พิจารณาว่าทุกคนต้องอยู่ได้ไม่มีเราเขาก็ต้องอยู่ได้เพราะถ้าเกิดเราตายไปวันนี้เขาก็ต้องอยู่ได้ ฉ้นคิดว่าเวลาเราจากเขาไปเราไปภาวนาเ น, นี่ก็เหมือนกับว่าเราตายจากเขาไปพอไม่มีเราเขาก็อยู่ได้เขาก็ต้องดินน้นรนเขาก็ต้องต่อสู้ไปตามเรื่องของเขาถ้าเราอยู่เขาขี่เกียจก็เห็นมีคนมามาเลี้ยงดูเขามาทำอะไรให้กับเขาเขาก็เลยไม่ต้องทำเอ ง, อง <laughs> พอพอไม่มีใครทำกับข้าเขากินเด่ยก็ต้องทำเอง <laughs>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 แต่ถ้าเราไปภาวนานี่เราจะได้มากผลวิปานแต่ถ้าว่าเราูาเราก็ทก่อนถ้ามีเวลาทําได้ก็ทํไปแต่ว่ายงไป่เก ม, มันก็มีเรื่องราวต่างๆมาคอยรบกวนใจเราการจะภาวนาให้ได้ผลดีต้องติ่วิเวต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆ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 เอบางทีบางแผ่นมันก็เสียนะะคือเครื่องเครื่องอัดมันบางทีมันเขียนมันมีหลายเครื่องเลยเท่าตาทีสิบเครื่องด้วยกันบางทีไฟมันไม่ไปไม่ถึงไม่ทั่วบางแผ่นมันก็อาจจะชํารุดได้ก็ไม่เป็นไรก็มาหามแผ่นใหม่เออเวลามานี่ก็มาเอาแผ่นใหม่ไปเอแต่แผ่นที่สามพอดีหมดไปพอดี ตอนนี้มีแต่สองกับสี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันธรรมะก็ซ้ำๆกันพูดเรื่องเดียวกันแต่่ตมาจากคนละมุมมองท่านเองแต่ก็พูดถึงเรื่องเดียวกันเรื่องของวิธีการดับทุกข์ทั้งนั้นธรรมะของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ก็มีเนื้อหาสาระอันเดียวกค็คือวิธีการดับทุกข์นี่ แต่ท่านทรงแสดงให้กับคนต่างฐานหน้าต่างภูมิต่างจิตต่างธรรมท่านก็เลยต้องแสดงที่เหมาะสมกับผู้ฟังหลาก็สอนให้ให้ชำระกิเลสตัณหาให้ดับความทุกข์ภายในใจกันเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าแผ่นนี้มันเสียก็ฟังแผ่นอื่นก็ได้หรือฟังของหลวงตาก็ได้หลวงตาก็มีแผ่นเยอะแยะ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 ที่เกิดจากความตายนี้ให้ได้หลวงตาท่านก็สงสารเมตตาท่านไปเทศเกือบทุกคืนเลยยกเว้นคืนที่ท่านไม่วา่างเช่นต้องมาเทศสอนพระหรือบางทีท่านมีกิจธุระต้องไปข้างนอกเท่านั้นรู้สึกว่าท่านสแสดงประมาณเก้าสิบกว่าครั้งด้วยกันภายในระยะเวลาสี่เดือนนี่ท้านบอกท่านไม่เคยสแสดงทำแบบนี้ให้กับใครมาก่อน แต่ท่านเห็นความจริงใจของเขามีความจริงจังที่เขามุ่งมั่นมาหาท่านเป็นที่พึ่งจริงๆท่านก็เลยยอมอที่จะให้เขาสอนให้เขาได้มีที่พึ่งแล้วเท่าที่ได้ยินก็คิดว่าเขาก็ได้ได้รับผลจากการได้ศึกษาได้ปฏิบัติเอ็งธรร ม, มะนี่มันเป็นของที่ทุกคนมีมีมีสิทธิ์ที่จะ ปฏิบัติได้รับผลได้ไม่ว่าจะเป็นไถ่เป็นนักบวชหรือเป็นคารวะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็สำคัญขอให้เรามีคนสอนแล้วขอให้เรานักคนเรียนตั้งใจเรียนจริงๆตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนโยมก็โชคดีมีพระลูกชายล้าก็ศึกษากับครูบาอาจารย์มาแล้ว อไปดูมันทำไมบ้านมันก็อยู่ของมันอย่างงั้นแหละบ้านมันต้องดูแลเราไม่ใช่เราไปดูแลบ้านบ้านมีไว้หลบแดดหลบฝนไม่ใช่มีมีมาให้เราเฝ้ามันแค่ไห น, นเราไม่ใช้มันแล้วก็ทิ้งมันไปไปดูแ ล, แ ล, แลมันทำไม อาารครับเคยมีโยมเขาฝากถามมาครับ ว, ว่าอ่ามีพระเนี่ยถ้าไปอยู่อ่าบ้านของคนอื่นเน่ยที่ไม่ใช่ญาติได้ไหยครับเหมือนกับว่าเขเชิญไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเรื่องกระทันเรื่ อ, ง เ, อ, ง, เอ ง, งเรื่องอะไรเรื่องเช่นเดินทางไปแล้วไม่มีที่พักต้องพักแรมคืนสองคืนอะไรอย่างนี้ก็พอที่จะอนุโลมผ่อนผันได้แต่ถ้าโดยวิธี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 บวชแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะพ่อแม่ไม่สบายก็เลยไปดูดูแลพ่อแม่ที่บ้านจะไปดูแลอะไรเป็นพาพต้องเป็นหมอสิถ้าจะไปดูแลใช่้นไหมให้ท่านไปพักวัดดีกว่าออหรือหาหาหาสนามหญ้าให้ท่านปักกดอยู่ข้างนอกสนามหญ้าในป่า ก็คือไม่ว่าจะเป็นญากหรือไม่ใช่ยาต ก, ก็ไม่ควรนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆช่วงทั้งชั่วก่าวพักแรมคืนหนึ่งอะไรอย่างนี้ในปัจจุบันครับพัะจานทร์มีชาวพุทธจำนวนมากครับที่มีความคิดว่าตนเองเคยประพฤติผิดเคยทาผิดเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีในอดีตมาเนี่ยแล้วพอมาถึงปัจจุบันเนี่ย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 ให้เกิดผลขึ้นมาได้ต่างกันตรงที่ยากหรือง่ายช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้ามีครูบาจารย์ก็มีความแน่วแน่มีความตั้งใจต่ อ, อการปฏิบัตินี้รับรองว่าจะต้องได้ผลแน่ๆอย่าให้ความคิดอย่างอื่นมาหลอกเราใช่ไหมครับความสนใจในเรื่องของสังโยชน์มันมีข้อหนึ่งที่เป็นเรื่อง ศิลป์พัตต์ปามาก็คือเที่ว่าไม่ให้สนใจเรื่องพิธีกรรมงมงายผมสงสัยว่าที่ไม่ให้สนใจเนี่ยคือเราเราไม่ต้องไปสนใจมันก่อนแล้วเราจะจะพ้นสัโยุตขา น, นี้ไปหรือว่าเราปฏิบัติภาททวนาจนจ น, จนถึงขั้นโสดาบันแล้วเราจะเลิกสนใจไปเองเอเราต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเรา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 แล้วเขาไม่มีปัญญาที่เห็นความจริงของโลกว่ามีเจริญต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาทำมาค้าขายบางทีก็เจริญบางทีก็เจ้งได้เจ้งก็เจ้งไปถ้ามันจะเจ้งเราไปห้ามมันได้ที่ไหนใช่ไหมถ้าเรายอมรับความจริงก็ไม่ต้องไปหาสินแสไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปทำพิธีสระเคราะอะไรต่างๆคนที่เขาํามาตั้งแต่สมัยดึกดาบรสระเคาะก็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 ไปหาหมอผีสมัยโบราณก็ไปหาหมอผีหมอผีก็บอกไปเอาแกะมาฆ่าสักตัวไปอบูชายันเอพระเจ้าโกรธพวกเราพวกเราทำไม่ดีกันอันนียเป็นเป็นเรื่องของศีลพัตตปรมาคือถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นนิรยาศสาีแล้วเรื่องวิจิกิจฉาก็จะหายไปศีลพัตตก็หายไปอสักาสกายะทิฐินี่ก็จะหายไป สามข้อนี้มันอยู่ที่การมีดวงตาเห็นธรรมอย่างที่พระอัญญาณโกนทะยาบอกว่าโอ้มีเจริญต้องมีเสื่อมเนาะอะไาตนนั้นเองยอมรับความเสื่อมพวกที่ไม่สบายใจเพราะไม่ยอมรับความเสื่อมอยากจะให้ชีวิตมีแต่เจริญนุ่งเรืองก้าวหน้าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดพอไปเจอวันพอไปเจอเรื่องราวที่กระทบทำให้เกิดความเสื่อมขึ้นมาก็วุ่นวายใจก็ต้อง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 อย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมเลยเสื่อมก็อยู่กับมันไปในที่สุดก็ตายจากกันไปอยู่ดีมีมากมีน้อยถึงเวลาก็ตายจากกันไปถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะทําใจได้ทําใจให้สงบหายความไม่สบายใจมันก็หายไปแล้วพิธีกรรมต่างๆครับพระอาจารย์ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างหรือว่า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 เวลาเราทําบุญใจเราเย็นใจเราสบายเวลานั้นมันก็เป็นสวรรค์สวรรค์ในอกในรกในใจมันอยู่ที่ในใจของพวกเราเกิดจากการกระทําของเรานี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมนี่ไงทาดีได้ดีก็คือทําบุญแล้วก็จะได้สวรรค์ทําดีแล้วก็จะได้ความสุขใจสบายใจอย่างวันนี้มาทําดีกันมาทําทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมฟังแล้วก็ใจเย็นใจสงบใจสบาย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 ทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่างพระอุตตเจ้านี้ไม่มีกา ร, การตอบโต้กับพระเทวทัตเลยพระเทวทัตจะพยายามปรงพระชนถึงสามครั้งพระองค์ก็ไม่เคยตอบโต้ด้วยวิธีการใดมีแต่ใช้ธรรมะใช้อุเบกขาใช้เมตตาเป็นวิธีที่เราจะได้ไม่ไปต่อเวรต่อกรรมไงถ้าเขาทำเราแล้วเราก็กลับไปถามเขาต่องี้มันก็มันก็หนีมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดกัน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 เพื่อที่จะปกป้องรักษาชีวิตของท่านเพราะท่านว่าถ้าถ้าถ้าหนีไปวันนี้เลย้องกันวันนี้เดี๋ยวพวกนี้เ็กลับมาใหม่เพราะความโกรธอาฆาตพยาบาทของเขาจะไม่หมดจะหมดต่อเมื่อเขาได้ทำตามที่เขาอยากจะทำเลยดังนั้นก็ต้องปล่อยให้เขาทาไปก็คิดว่ามันก็แค่ตายซึ่งจะมีเวรมีกรรมมีบาหรือมีบุญหรือไม่มันถึงเวลาก็ตายเหมือนกัน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 หากมองทุกอย่างเป็นใจลัทธิพระอาจารย์สภาวะธรรมเกิดขึ้นได้อ่าทุกการกระทําในชีวิตประจําวันเลยครับอาจารย์ใช่นั่นแหละคือปัญญา <c oughs> ถ้ามองไม่เห็นปั๊บมันก็จะถูกความหลงหลอกทันทีหลอกให้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่หลง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 ผ่านไปแล้วจไม่ได้แล้วบางทีเราไม่รับทีอยากเราชอบเอามาเอามาเปิดเหมือนกับอัดเทปไว้แล้วก็มาเปิดฟังซ้ำแล้วซ้าอีกอย่างนี้นะอาาท่านุดงถ้าเราขับรถมาถ้าท่านเดินทุดงมาอย่างนี้เราจะรับท่านทุดงก็ท่านเดินไปสท่านต้องการจะเดินนี่ไปรับท่านถูไหมเจเอง ไม่ทุดงก็เพื่อจะเดินจงกลมงงไงเงี้ยไอมไม่ต้องไปรับท่านหรอกออถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ยิ่งไม่ควรใหญ่ถ้าจะรับก็ต้องมีผู้ชายาไม่ได้หรอกออมันอาจจะเป็นอันตรายกับเราถ้าไปเจอผ้าปอมน <c oughs> ทำไม<ร>นี่มันไม่นําดําหรอต้องเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรถ้าเรารู้ว่าเป็นพระแท้ก็ไปอยากเลยนี่เราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนไไบบอย่างรักนักเรียนใหม่น่าเขาบอก่าเป็นนักไม่ได้เขาอย่าการทาไม่บอกเราไม่รู้ว่าเ ข, า, า, ขาเป็นใครใช่เออเออ เคยรับมาครับไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าเป็นพระปอมหรือไม่ครับแต่ว่าพยายามพูดโน้มน้าวให้เราเนี่ยทำบุญเราก็เลยรู้เลยนะครับหลวงพี่ครับส่งแค่นี้แล้วกันะ ค, ะครับนี่คนรู้เลยรู้เลยไม่เป็นไรหรถาถ้าท่านเป็นพระจริงท่านไม่เดือดร้อนอ่ะท่านก็เดินของท่านไปนน พ้ะจริงท่านทำอะไรท่านมีเหตุมีผ ล, ลนีน่แหละบางทีท่านต้องทดสอบความเพียรของท่านเนี่ยทดสอบความขันติความอดทนของท่านฝ่ายท่านไปแล้วนะไปรับไ ป, <c oughs> ไปท่านไปทำให้ท่านไม่ได้ทำความเพียรเ <c oughs> นี่ยใช่เอม ท่านต้องการ พ, พิจารณาทุกเวทนาแล้วกลับไปรับท่านเข้าไปนั่งรดแอร์ใช่ไทุกเวทนามันก็ไม่ได้พิจรารณาเแล้วอย่างนี้อย่างนึ่งจะมาอย่างถึงว่าท่านมามาเดินทุดลงมาทุดลงแต่ว่าเราก็ได้ใส่บาตไปแล้วเรับจะใส่บาตรอาหารใช่ไหมจมังลแต่ท่านก็รับไปแล้วแต่ยังขอรินจบาตปัจจัยนั่นแหละอนั่นแหละ <laughs> นั่นหละ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 เรื่องจิตใจนี้ดูกันยากนะก็ จ, จะรู้ใจคนนี้ต้องอยู่ใกล้กันถึงจะเห็นถึงจะรู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าการเห็นกันแบบผิวเผินนี่ก็อย่าพึ่งไปให้ความไว้ใจเพราะสมัยนี้มันมีพวกมิจฉาชีพเยอะมากมีเขาเล่า ว, ว่าก็เอาผ้าเหลืองมาห่มไปบินตบาทพอ ก, กลับมาได้ของมาก็นั่งกินเหล้ากัน นั่งเล่นไพ่กันไปเช่าห้องพักห้องแถวอยู่ครับเอมไปช้อปเปิ้งไปแล้ววางแป้งแล้วก็ไปอยู่บางทีไปเช่าคอนโดแล้วก็ไปแจกผ้าแจกน้ำมูลสวดเสิร์ดอะไระพวกชนสิ้นเขาปูเขาก็ชอบของพวกนี้ออ นั่นแหละกส็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าญาติโยมไม่ได้สนใจที่จะศึกษาว่าพระจริงเป็นยังไงพระปลอมเป็นยังไงกันไม่ไม่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยดูพระไม่เป็นเหมือนคนที่เอทําซื้อเพชรเนี่ยแต่ไม่ไปศึกษาว่าเพชรปลอมเพชรจริงเป็นยังไงก็เลยซื้อแต่เพชรปลอมขาดทุนเจ๊ง คิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วนะขอให้นำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ